ก็เป็นไปในแบบกระชากอีกต่างหากและเมื่อพยายามหายใจให้ได้ น, น, นานๆก็จะใช้วิธีหายใจถีๆเขา้ายังไม่ทันสุดก็พ่นออกมาพ่นยังไม่ทันหมดก็ตั้งท่าจะดึงลมล่วงหน้าซะแล้วเหล่านี้ล้วนเป็นอาการหายใจผิดผิดอย่าว่าแต่จะมาใช้เป็นฐานสติเอาแค่ให้ถูกสุขลักษณะก็ไม่ได้แล้ว